เมื่อพระรัตนตรัยพาเข้าและคือไปในตรัยสิกขามรรคก็พัฒนาสู่จุดหมายในบรรดาหมวดธรรมะจุดธรรมะหรือระบบการปฏิบัติที่จัดรูปออกมาจากองค์มรรคทั้งหมดนั้นหมวดธรรมะหรือระบบปฏิบัติที่ถือได้ว่าเป็นระบบกลางหรือเป็นพื้นฐานกว้างขวางรอบคลุมและใช้เป็นมาตรฐานของการปฏิบัติมากที่สุด ก็คือระบบที่เรียกว่าสิกขาสามหรือตรายสิกขาซึ่งแปล ง, ง่ายๆก็คือการศึกษาสามส่วนแม้ว่าตรายสิกขาจะจัดรูปออกมาจากมรคแต่ความสําคัญของตรายสิกขานั้นเข้าคู่เทียบกับมรคเลยทีเดียวดังจะเห็นว่ามรคเป็นทางดำเนินชีวิตที่ดีงามหรือระบบการดำเนินชีวิตที่ดีงามหรือจะให้ตรงกว่านั้นว่า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 หรือการดำเนินชีวิตที่ดีก็เกิดมีขึ้นดังนั้นเมื่อฝึกด้วยตรายสิกขามักก็เกิดมีขึ้นหรือว่าเมื่อคนฝึกตนด้วยตรายสิกขาชีวิตของเขาก็พัฒนาไปในมาเท่ากับพูดว่าการฝึกตรายสิกขาก็เพื่อให้มักเกิดขึ้นแท้จริงนั้นเนื้อหาสาระของมักและตรายสิกขา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 พอเริ่มต้นตั้งตัวได้แล้วศรัทธาในพระรัตนตรัยนี้ก็หนุนนำให้เดินหน้าก้าวไปในตรายสิกขาพัฒนาองค์มรรคให้เจริญงอกงามขึ้นไปขึ้นไปจนลุถึงจุดหมายสิกขาสาหรือที่นิยมเรียกว่าตรายสิกขาได้แก่อธิศิลสิกขา อธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาซึ่งมักคเรียกกันให้ง่ายๆสะดวกสะดวกว่าศีล ส, สมาธิปัญญา 1. อธิศีลและสิกขาคือการฝึกความประพฤติสุจริตทางกายวาจาและอาชีวะได้แก่วรวมองค์มรรคข้อส ม, มาวาจาสัมมากรรมตะ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 โดยเฉพาะทางสังคมให้อยู่ในภาวะเอื้ออำนวยแก่การที่ทุกๆกคนจะสามารถดำเนินชีวิตที่ดีงามหรือปฏิบัติตามมัค ก, กันได้ด้วยดีในเรื่องนี้นับเป็นความบกพร่องอย่างยิ่งที่มักมองศีลกันเพียงในแง่ลบอย่างแคบที่สุดคือมองเป็นข้อห้ามกว้างออกไปหน่อยก็เพียงเป็นการงดเว้นเช่น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 และอื่นอื่นตลอดจนสังหะวัตถุตามหลักขีวินันในสินคาลกาสูตรเป็นต้นสีนเป็นสิกขาขั้นต้นที่สุดจึงมีขอบเขตกว้างขวางมากแบ่งได้เป็นหลายระดับครอบคลุมถึงการแสดงออกและการบังคับควบคุมตนทั้งภายนอกทั้งหมดความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมทั้งทางสังคมและธรรมชาติ เกณฑ์ยังตามสุดของศีลคือไม่เบียดเบียนผู้อื่นเช่นเดียวกับไม่เบียดเบียนตนเองด้วยไม่ทำลายสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เกื้อกูลแก่ชีวิตที่ดีงามหรือเกื้อกูลแก่มรรคนั้นต่อจากนั้นได้แก่การฝึกฝนทางวินยัยเพื่อความดีงามยิ่งขึ้นไปถ้าสามารถกว่านั้นก็ก้กาวไปถึงการทาการต่างๆที่เกื้อกูลแก่ผู้อื่น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 ในด้านคุณภาพและสมรรถภาพของจิตได้แก่รวมเอาองค์มร์ข้อสัมมาวายามะสัมมาสติและสัมมาสมาธิเข้ามาว่าโดยสาระก็คือการฝึกให้มีจิตใจเข้มแข็งมั่นคงแน่วแน่ควบคุมตนได้ดีมีสมาธิมีกำลังใจสูงให้เป็นจิตที่สงบผ่องใสเป็นสุขบริสุทธิ์ปราศจากสิ่งรบกวน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 อธิศีลสิกศิขาอธิจิตตศิขาและอธิปัญญาศิขาก็ครอบคลุมการทำให้เกิดพัฒนาการทางสังคมทางอารมณ์และทางปัญญาตามลำดับเป็นแต่จะแตกต่างกันโดยขอบเขตของความหมายและศิขาสามีจุดหมายที่ชัดเจนจำเพาะตามแนวของพุทธธรรมอย่างไรก็ตามอย่างน้อยในขั้นเบื้องต้นจะเห็นชัดว่า ความหมายไปกันได้ดีคือพูดได้ตรงกันในขั้นพื้นฐานว่าจะต้องฝึกคนให้มีวินัยคือรวมถึงความรับผิดชอบและความสัมพันธ์ที่ดีทางสังคมให้งอกงามทางอารมณ์ที่ทางพระว่าให้จิตใจเข้มแข็งปรานีตมีคุณภาพสมรรถภาพและสุขภาพดีและให้งอกงามทางพุท ธ, ธิปัญญา สิกขาสามนี้เนื่องกันและช่วยเสริมกันซึ่งตามหลักพัฒนาการอย่างสมัยใหม่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้เช่นความรู้เหตุผลย่อมช่วยความเจริญทางอารมณ์และช่วยเสริมการปฏิบัติตามวินยัยตลอดถึงความรับผิดชอบและความสัมพันธ์ในทางสังคมดังนั้นการฝึกฝนอบรมในสิกขาสามหรือการให้เกิดพัฒนาการทั้งสมอย่าง จึงต้องดําเนินคู่เคียงกันไปไมีใช่แค่นั้นถ้าดูให้ชัดในพุทธศาสนามีพัฒนาการทางกายเรียกว่ากายภาวนาอยู่ในหลักภาวนาศีกรณีเป็นบุคคลเรียกภาวิตะหรือภาวิสีคือการพัฒนาสีด้านแต่ความหมายต่างกัน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 ไม่ต้องฝืนใจหรือตั้งใจคอยควบคุมรักษาคิดแก้ปัญหาและทรรมกิจต่างๆด้วยปัญญาบริสุทธิ์เป็นต้นโดยในยะที่กล่าวแล้วเมื่อฝึกตลอดระบบของศิกขาแล้วระบบการดำเนินชีวิตทั้งหมดก็กลายเป็นระบบของมรสอดคล้องกันหมดทั้งภายนอกและภายในสำหรับการพัฒนาทางกายในหลักสิขานี้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 อย่างที่สองท่านเน้นความสัมพันธ์ทางกายกับสิ่งแวดล้อมทางกายภาพในหลักอินรียะสังวรศีลและเน้นความสัมพันธ์ระหว่างความเป็นอยู่ด้านกายกับการบริโภควัตถุดังที่จัดเป็นศีลหมวดหนึ่งเรียกว่าปัจจัยสันนิสิตศีลศีลเนื่องด้วยปัจจัยสีโดยย้ำที่โพชนเนมตันยุตตาความรู้ประมาณในการบริโภค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 ที่จะเสพสเวยยื้อแย่งโลกามิตรซึ่งเป็นทางสายตรงข้ามกับการศึกษาอย่างไรก็ดีเรื่องนี้ไม่ใช่จุดเน้นในที่นี้จึงจะไม่บรรยายไว้สำหรับการพัฒนาทางกายไม่ระบุในสิกขาสามแต่มาในภาวนาศีในอังคุตรนิกายปัญจกานิบาศ